จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเอ็ดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิแเป็นวันพระวันธรร ม, มสวนะัสวันฝังธรรมวันปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้หมันปฏิบัติกันอยู่สามข้อใหญ่ๆคือข้อที่หนึ่งให้ละบาปทั้งปวงข้อที่สองให้อย่างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและข้อที่สามก็คือ ให้ชำระใจให้สาบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆเพระองค์ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าที่เรารู้จักเท่านั้นในโลกงเหล่านี้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วนำเอาสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงรู้ทรงเห็นเอามาเผยแผ่ สั่งสอนให้แก่สัมโลกผู้ที่ยังไม่รู้ถ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็ตามองค์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตองค์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือองค์ที่ยังไม่ได้มาในอนาคตคำสอนก็จะสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระ อ, องค์คือสอนให้ทำดี ให้ละบาปให้ชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เพราะการกระทำทั้งสาประการนี้จะนำความสุขดับความทุกข์และยุติการเวียนว่ายตายเกิดมาให้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นเองไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันมีแต่อยากจะมีความสุขกันไม่มีใครอยากจะแก่ อยากจะเจ็บอยากจะตายกันพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันก่อนที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นเหมือนพวกเราที่อยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายพระพุทธเจ้าก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาค้นคว้า หาเหตุที่จะทำให้มีแต่ความสุขหาเหตุที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์หาเหตุที่จะยุติความแก่ความเจ็บความตายแล้วหลังจากหกปีพระพุทธเจ้าก็ทรงได้คน้นพบสูตรที่จะตอบสนองความต้องการของพระ อ, องค์คือการกระทำสามข้อนี้เ การทำความดีนี้นำความสุขมาให้การละบาปเป็นการดับความทุกข์ใจและการชำระใจให้สหรระอาดบริสุทธิ์เป็นการยุติความแก่ความเจ็บความตายด้วยการไม่มาเกิดถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราดนั้นก็ยังต้องมีความแก่มีความเจ็บ มีความตายตามมาเสมอถึงแม้ว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายจะไม่ใช่ตัวเราก็ตามแต่เนื่องจากเราไม่มีความรู้ความจริงว่าร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราทั้งทั้งที่ตัวเรานี้ไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพราะตัวเรานี้ไม่มีรูปมีร่างตัวเรามีแต่ความรู้สึกนึกคิดผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่ร่างกายเหมือนกับผู้ที่ขับรถไม่ใช่รถยนต์รถยนต์นี้ไม่สามารถจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่มีคนขับ คนขับกับรถยนต์นี่เป็นคนละส่วนกันฉันใดร่างกายกับใจผู้มีความรู้สึกนึกคิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็เป็นคนละส่วนกันเป็นคนสองคนชีวิตของเรานี่มีองค์ประกอบอยู่สองคนด้วยกันมีร่างกายที่เป็นเหมือนคนรับใช้และมีใจ ที่เป็นเจ้านายร่างกายนี้มีอายุน้อยกว่าใจใจนี้ไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ยกเว้นว่าจะเป็นร่างกายของใครจะเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้าของพออาาระอรหันทร่างกายของพระมหาจักพรพรรษ ของพระมหาราชาของมหาเศรษฐีของประธานาธิบดีของนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรีของใครก็ตามของขอทานก็เป็นเหมือนกันหมดเป็นร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันแต่ผู้ที่มาใช้ร่างกายมาสั่งให้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เนื่องจากผู้ที่สั่งนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายพอได้ร่างกายมาเป็นคนรอบช้ก็ไปหลงคิดว่าตนเองเป็นคนรอบช้ไปเพราะอยู่กับคนรอบช้มาตั้งแต่เกิดพอออกมาจากท้องแม่ ร่างกายออกมาจากท้องแม่ใจก็ติดมากับร่างกายด้วยก็เลยคิดว่าเป็นคนเดียวกันไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถแยกแยกร่างกายออกจากใจได้ไม่มีใครสามารถรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่มีความสามารถที่จะศึกษาค้นควา้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเหมือนกับสมัยก่อนทุกคนที่เกิดมาจะคิดว่าโลกแบนกันทั้งนั้นมองไปทางไหนก็รู้สึกว่ามันแบนมันราบเวลามองไปทะเลก็จะเห็นทะเลมันราบ เห็นเป็นเหมือนโต๊ะอย่างนี้คนสมัยก่อนจึงไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลไกลกลัวจะตกขอบทะเล mm hmm. เพราะคิดว่าโลกนี้แบนเหมือนโต๊ะแต่มีคนฉลาดบางคนที่มีปัญญาที่สามารถวิเคราะห์จนเห็นได้ว่าโลกนี้มันนไม่แบนมันกลมมันเหมือนกับ ดวงดาวดวงเดือนดวงอาทิตย์ต่างๆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้ามันกลมกันหมดแล้วทำไมจะมีโลกนี้มาแบนมาแบนอยู่โลกเดียวเขาก็ใช้วิธีศึกษาพิจารณาถ้าโลกมันแบนเวลาเรือเข้ามาจากทะเลพอเเวลาจะเห็นเรือนี้จะต้องเห็นพร้อมกันหมดทั้งร่ม เห็นทั้งตัวเรือเห็นทั้งเสารกระโดงเห็นทั้งธงที่ปักอยู่บนบนเสารกระโดงแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาที่เรือเข้ามาสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือส่วนที่สูงสุดของเรือก็คือเห็นตัวธงก่อนแล้วก็เห็นเสาแล้วก็เห็นตัวเรือนี่แสดงว่า พื้นผิวของเรือนี่มันไม่แบนมันไม่ราบมันโค้งเหมือนกับคนที่ขี่ม้าข้ามเขามาเวลาคนขี่ม้าข้ามเขามาคนที่อยู่ด้านนี้จะเห็นเห็นคนขี่ก่อนก่อนที่จะเห็นมา้าเพราะคนขี่นี่สูงกว่าม้านั่นเองแล้วผิว ของดินที่คนถี่มาขี่มาก็ไม่เลือกไม่รากไม่แบ่งเป็นโค้งเป็นเวา้าเขาก็เลยสามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้ไม่แบนชั้นใดร่างกายกับใจของเรานี้ก็เป็นคนละคนกันมีคนที่มีความฉลาดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เป็นคนคนเดียวกัน บุคคลแรกนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบใจจะแยกออกจากร่างกายนี่คือสิ่งที่ผู้ที่นั่งสมาธิจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเวลาใจสงบใจจะปล่อยวางร่างกายจะไม่ไปคิดถึงร่างกายจะไม่ส่งกระแสรับรู้ไปที่ร่างกายจะไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑที่ร่างกายเป็นผู้รับเข้ามาร่างกายมีตาไว้รับรูปมีหูไว้รับเสียง มีจมูกไว้รับกลิ่นมีลิ้นไว้รับรสและมีร่างกายไว้รับสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายแต่เวลาใจเข้าสู่ความสงบใจจะถอยจะถอนออกจากร่างกายทำให้ไม่มีความรู้สึกรับรู้กับเรื่องรูปเสียงกดลดิ่นรสผลึพภพไม่รับรู้ว่ามีร่างกายอยู่ เหลืออยู่แต่ผู้รู้เท่านั้นนี่คือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจได้ร่างกายนี้มาตอนที่พ่อแม่มาผสมกันเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มารวมตัวกันใจที่ไม่มีร่างกาย ก็มาขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยนะมาร่วมสังกรรมการที่ร่างกายนี้จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นหญิงเป็นชายได้จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบสมส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งของพ่อส่วนหนึ่งของแม่แล้วส่วนหนึ่งของดวงใจ ของผู้รู้ใจที่ไม่มีร่างกายก็คือใจที่ตายไปแล้วออกจากร่างกายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอเจอร่างกายอันใหม่ก็เข้าไปจองเหมือนกับคนที่ไม่มีรถขับรถเก่าเสียขับไม่ได้ซ่อมไม่ได้ต้องขายทิ้งไปเอาเงินไปซื้อรถใหม่ ไปที่บริษัทขายรถแล้วก็จองรถว่าจะเอารถยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ใจที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนกับคนรถคนขับรถที่ไม่มีรถพอไม่มีรถก็ต้องไปหาซื้อรถใหม่จะซื้อรถใหม่แบบไหนราคาไหนก็ขึ้นอยู่กับเงินที่มีอยู่ในกระเป๋ามีมากมีน้อยมีน้อยก็ซื้อรถราคาถูก ถ้ามีมากก็ซื้อรถราคาแพงๆได้ดวงใจดวงวิญญาณที่มาได้ร่างกายอันใหม่นี้จะได้ร่างกายที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้ามีบุญน้อยมีบาปมากก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดีถ้ามีบุญมากมีบาปน้อยก็จะได้ร่างกายที่ดี คนเราจึงมีร่างกายไม่เหมือนกันบางคนมีร่างกายที่สามารถไปคิงลังวันประกวดความงามกันได้มีร่างกายสามารถไปเป็นดาราภา พ, พยนต์ไปเป็นคนที่มีแต่คนอยากจะดูอยากจะพบอยากจะเห็นนี่เป็นพวกที่มีบุญมากเคยทำบุญมาในอดีต เหมือนกับคนที่มีเงินเวลาไปซื้อรถก็ซื้อรถราคาแพงๆได้ซื้อเบน500ซื้อโรลส์รอยต์แต่คนที่มีเงินไม่น้อยน้อยก็ซื้อ Pick Up ไปก่อนขับรถ Pick ั p ไปก่อนเพราะมีเงินน้อยก็ยังดีกว่าคนไม่มีเงินเลยคนไม่มีเงินก็ต้องขึ้นรถเม์ขึ้นแท็กรถแท็กซี่เช่ารถเอาไปไหนมาไหน นี่คือเรื่องของร่างกายกับใจของเราใจของเรามาได้ร่างกายอันนี้ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็เพราะว่าบุญกับบาปที่เราทำมาถึงแม้จะมาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกันแต่หน้าตาจะไม่เหมือนกันความสวยความงามจะไม่เหมือนกันเพราะบางคนก็สวยกว่า บางคนบางคนก็รูปหล่อกว่าบางคนเพราะใจที่มาครอบครองร่างกายนี้เป็นผู้มีส่วนสร้างร่างกายขึ้นมาร่างกายจะสวยจะงามจะไม่สวยไม่งามอยู่ที่ใจที่สวยที่งามหรือไม่สวยไม่งามถ้าใจไม่สวยไม่งามก็จะสร้างร่างกายที่ไม่สวยไม่งามเหมือนกับเวลาที่เราปั้น รูปปั้นอย่างนี้แล้ววาดเขียนอย่างนี้คนที่มีฝีมือฝีไม้รายมือก็จะสามารถวาดภาพได้สวยงามคนที่ไม่มีฝีไม้รายมือก็จะวาดภาพได้ไม่สวยงามนี่แหละใจที่มีบุญมีบาปนี้จะมาทําให้ร่างกายดีมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันไม่ มีสุขภาพไม่เหมือนกันมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องของใจที่มาหาร่างกายมาจับจองร่างกายในขณะที่อยู่ในท้องแม่แล้วก็รอให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตด้วยอาหารที่ผ่านที่แม่เอามาเลี้ยงลูกผ่านทางสายเลือดเลือดของแม่นี่มีอาหาร มีดินมีน้มีลมมีไฟพอเข้าไปในร่างกายของทารบทารกก็จะเริ่มจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาเริ่มมีอวัยวะต่างๆขึ้นมาจนมีครบ32องอวัยวะพออยู่ไม่ได้พอจเจริญเติบโตจนแน่นท้องไม่สามารถอยู่ได้ก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็มาหัด เรียนรู้วิธีดูแลรักษาเลี้ยงดูร่างกายนี้จากพ่อแม่มาผัดเรียนวิชาความรู้ต่างๆเรียนภาษาเรียนอะไรต่างๆผ่านทางพ่อแม่และครูบาอาจารย์ต่างๆผู้ที่เรียนนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่เรียนก็คือใจใจบางใจนี้มีความรู้มามากกว่าเดิมบางทีไม่ต้องเรียนจากใครก็ได้ เพราะมีความรู้ติดตัวมาเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่มาเกิดพระพุทธเจ้ามีความรู้มากกว่าครูอาจารย์ที่พ่อแม่ส่งมาสอนแทนที่จะให้ครูอาจารย์สอนพ่อแม่พระพุทธเจ้ากลับสอนครูอาจารย์เพราะพระพุทธเจ้าในอดีตชาติได้ศึกษาวิชาความรู้ต่างๆมามากนั่นเอง คนเรามาเกิดจึงมีความฉลาดมีความโง่ไม่เท่ากันคนที่ฉลาดมาจากชาติก่อนก็จะฉลาดต่อไปคนที่โง่ามาจากชาติก่อนก็จะต้องโง่ต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องโง่ไปตลอดคนโง่ก็สามารถเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้ถ้ามีความสนใจที่จะศึกษาความรู้ต่างๆ พอศึกษาแล้วก็จะได้ความรู้ต่างๆอย่างพวกเรานี้ถือว่ายังเป็นคนโง่อ ย, อยู่ถ้าเปรียบเทียบกับ พ, พ่อพทะเจ้าถึงแม้ว่าเราจะเรียนโจทย์ป ร, ริญญาขั้นระดับป ร, ริญญาอีกก็ตามแต่ความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นคืออะไรอยากจะให้มีความสุขไปตลอดอยากจะไม่ให้มีความทุกข์อยู่ในใจอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลาดพราจากกันความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนศาสตรไหนระดับไหนจะไม่สามารถตอบสนองโจทย์ของพวกเราได้ แต่ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้จะสามารถตอบสนองโจทย์ของพวกเราได้ตอบสนองความต้องการของเราได้ถ้าเราเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้เราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวเราจะไม่มีความทุกข์เราจะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อ นี่แหละคือความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่วิเศษที่ไม่มีความรู้อันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนนะการที่เราได้มาพบกับความรู้นี้จึงถือว่าเป็นมหาลาภที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเพราะเหตุใดเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักครั้งหนึ่ง เวลาระหว่านพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้ห่างกันเป็นกับคาว่ากับนี้เ ป, นเป็นเวลายาวนานที่เราไม่สามารถที่จะเขียนได้ด้วยตัวเลขเช่นเราอยากจะเขียนว่าร้านหนึ่งเรายังเขียนได้ร้อยล้านเรายังเขียนได้พันล้านยังสรกเขียนได้แต่ถ้ า, าล้านล้านล้านี้เราจะเขียนยังไง ลองไปนั่งนับดูว่าจะต้องเขียนเลขศูนย์สักกี่ตัวกันนั่นแหละคือเวลาหนึ่งกับนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาค้นพบความรู้อันวิเศษนี้แล้วนำความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันที่จะรู้ ความจริงอันนี้ได้เลยแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่มีวันที่จะตอบโจทย์ของเราได้เราจะไม่มีวันที่จะสร้างความสุขให้อยู่กับเราไปตลอดได้เราจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เราจะไม่สามารถยุติความแก่ความเจ็บความตายได้ แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วเราจะสามารถทําได้เลยและชาตินี้ก็เป็นชาติอาจจะเป็นชาติเดียวก็ได้เพราะถ้าเกิดเราตายจากชาตินี้ไปเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่และเมื่อกลับมาเกิดพระพุทธศาสนาจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหรือไม่เราก็ไม่รู้เพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรง พยากรณ์ไว้แล้วว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้ประมาณ5 0 0พันปีด้วยกันตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วสงพันห้าร้อกว่าปีแล้วแล้วเวลาเราตายไปเราต้องไปใช้บาปใช้บุญก่อนกว่าจะกลับมาเกิดใหม่อาจจะเลย 5,000 ปีไปแล้วก็ได้หรืออาจจะมาเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้ เช่นไปเกิดในแอฟริกาไปเกิดในตะวันออกกลางเราก็จะไม่ได้รับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สามารถตอบสนองโจทย์คือความต้องการของเราได้แล้วเราก็ต้องรอไปอีกหลายกับด้วยกันกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนพวกเรา เพราะฉะนั้นพวกเราควรที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อย่าไปเสียเวลาหาสิ่งต่างๆมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของปลอมถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขปลอมเป็นของปลอมเพราะอะไรมันจะหายไปหมดเป็นเหมือนฟองน้ำร่างกายนี้เดี๋ยวก็หายไป เงินทองที่หามาได้นี้เดียยดาาดเด๋ยวก็ต้องจากมันไปสามีภรรยาบุตรธดาที่หามาได้เดี๋ยวก็ต้องจากมันไปเดี๋ยวร่างกายของเขาก็จะหายไปกลายเป็นขี้เท่ากลายที่กลายเป็นเศษกระดูกไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เดี๋ยวก็จะเป็นซากปรหลากหักพังไปดูกรุงสุโ ข, ขทยัยกรุงสุโ ข, ขทัยสมัยที่รุ่งเรืองก็เหมือน สมัยของเรานี้แหละมีอาคารบ้านเรือนมีปรสาสาชวางังมีคนอยู่กันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วกลายเป็นซากปรักหักพังไปกรุงศรีอยุธยาก็เป็นเช่นเดียวกันต่อไปวัดยานก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต่อไปกรุงเทพก็จะเป็นอย่างนั้นก็นี่คือความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ ที่จะต้องมีวันเสื่อสลายหมดไปเราจึงไม่ควรไปเสียเวลาเพราะเราจะเหมือนกับไปตะคุบเอาฟองน้ำมาเราเห็นฟองน้ำพอเราไปจับปับ๊บมันก็แตกความสุขต่างๆที่เราอยากได้พอเราได้มาปับ๊บมันก็หายไปในงานกันปับ๊บเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้ว เดี๋ยวก็ร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจกัแล้วนี่แหละคือของปลอมที่พวกเราเสียเวลาหากันแทนที่จะหาของจริงแทนที่จะหาความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดแทนที่จะดับความทุกข์ที่จะไม่กลับคืนมาแทนที่จะหยุดความแก่ความเจ็บความตายเรากลับไม่ทำกันนะเราก็เลยเจอแต่ของปลอม องปองก็คือเจอแต่ของเสียนั่นเองความสุขก็เดียวเดียวความทุกข์ก็กลับมาใหม่อยู่เรื่อยๆความแก่ความเจ็บความตายก็เจอกันอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดกี่ภพ ก, กี่ชาติเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเพราะฉะนั้นขอให้เราเอาเวลามาศึกษาคําสอนของ จเจ้าแล้วปฏิบัติตามจะดีกว่าคิดว่าสมควรแก่เวลาขออุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร